ติฏฐิาถาว่าด้วยสภาวธรรมที่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้สามร้อยสี่สกสภาวธรรมที่เป็นอดีตมีอยู่ใช่ไหมปรสภาวธรรมที่เป็นอดีตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้แต่ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้สกสภาวธรรมที่เป็นอดีตอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น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 นี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่ใช่ไหมปรสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้สกสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหม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 หรือบัญญัติว่าไม่มีอยู่กับมีอยู่นี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมปอร์ไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันมีอยู่ใช่ไหมปอร์สภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้สก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 มีสภาพเหมือนกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามร้อยห้าสกสภาวะธรรมที่เป็นอดีตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้แต่ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ใช่ไหมปรใช่สกมีอยู่โดยสภาวะอย่างไรไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างไรปรสภาวะธรรมที่เป็นอดีตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นอดีต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 สภาวะที่มีอยู่ก็คือสภาวะที่ไม่มีอยู่สภาวะที like that, ่ไม่มีอยู่ก็คือสภาวะที <ười> ่มีอยู่ความมีอยู่ก็คือความไม่มีอยู่ความไม่มีอยู่ก็คือความมีอยู่บัญญัติว่ามีอยู่กับไม่มีอยู่หรือบัญญัติว่าไม่มีอยู่กับมีอยู่นี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้น สกสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้แต่ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ใช่ไหมปรใช่สกสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่โดยสภาวะอย่างไรไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างไรปรสภาวะธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นอนาคตไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นอดีต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 สภาวะที่ไม่มีอยู่ก็คือสภาวะที่มีอยู่นี้นั้นมีความหมายอย่างเดียวกันเสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมปอร์รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้แต่ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ใช่ไหมปร์ใช่สอกอมีอยู่โดยสภาวะอย่างไร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 สภาวะธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นอดีตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นปัจจุบันสภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นอดีตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นอนาคตใช่ไหมสกไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรดังนั้นสภาวะธรรมที่เป็นอดีตก็มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ ไม่มีอยู mind, ่โดยสภาวะอย่างนี ain, well ้สภาวะธรรมที่เป็นอนาคตมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้สภาวะธรรมที่เป็นปัจจุบันมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้สามร้อยหกสกรูปมีอยู่ใช่ไหมปรมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้สก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 เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ใช่ไหมปรใช่สกวิญญาณมีอยู่โดยสภาวะอย่างไรไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างไรปรวิญญาณมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นวิญญาณวิญญาณไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นรูปเป็นเวทนาเป็นสัญญา สังขารสกวิญญาณอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกวิญญาณอย่างเดียวกันนั่นแหละทั้งมีอยู่และไม่มีใช่ไหมปรอใช่สกสภาวะที่มีอยู่ก็คือสภาวะที่ไม่มี bon อยู่เสมอกันมีส่วนเท่ากันมีสภาพเหมือนกันใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้น ปอร์ท่านไม่ยอมรับว่ารูปมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ใช่ไหมสกอใช่ปอร์รูปมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ว่าเป็นเวทนาเป็นสัญญาเป็นสังขารเป็นวิญญาณ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 ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณมีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้ไม่มีอยู่โดยสภาวะอย่างนี้เฮวัถิติกระถาจบมหาวัคติหนึ่งจบรวมกระถาที่มีในวัคนี้คือหนึ่งอุคละกถาสองปริธานิกถาสามพรหมจริยกระถาก่อสาม โอทิโสกถาขอสี่ชหติกถาห้าสัพพมติติกถาหกอติตับขันธิกถาเจ็ดเอกจมมิติกถาแปดสติปทานกถาเก้าเฮวิติกถา 2. ทุติยวัก 1. ปรูปารกถาว่าด้วยเรื่องที่บุคคลอื่นนำเข้าไปให้สามรอสอกอน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอระหันต์มีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สกราคะกามราคะกามราคะปริยุทธานกามราคะสังโยชนกามโมคะกามโยคะ กามชันทานิวอ์ของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกราคะกามราคะกามราคะปริยุทธานกามราคะสังโยชนกรรโมคะกรรมโยคะกามชันทานิวอ์ของพระอรหันต์ไม่มีใช่ไหมปรใช่สกหากราคะกามราคะกรรมราคะปริยุทธานกามราคะสังโยชนกรรโมคะ กามโยคะกามฉันทานิวรณ์ของพระอรหันต์ไม่มีท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่สกน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของปุตตชนมีอยู่และราคะกามราคะกามราคะปริยุทธานกามราคะสังโยชนกาโมคะกามโยคะกามฉันทานิวรณ์ของปุตุชนนั้นมีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่ สก น, น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต anyway. ์ Bradley, have, ยย nice. มีอยู่และราคะกามราคะกามราคะปริยุทธานกามฉันทานิวรณ์ของพระอรหันต์นั้นมีอยู่ใช่ไหมปอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่และราคะกามราคะกามราคะปริยุทธานกามฉันทานิวรณ์ของพระอรหันต์นั้น มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สอกอน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของปุถุชนมีอยู่และราคะการมราคะการมราคะปริยุทธานการมฉันทานิวงของปุถุชนนั้นไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สอกเพราะเหตุใร ปรเพราะว่าพวกเทวดาผู้นับหนึ่งในหมู่มานนำน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอ Bild สุจิเข้าไปให้แสสพระอารหันต์สกพวกเทวดาผู้นับหนึ่งในหมู่มานนำน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิเข้าไปให้แสสพระอรหันต์ได้ใช่ไหมปรใช่สกน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพวกเทวดาผู้นับหนึ่งในหมู่มานมีอยู่ใช่ไหม ปรไม i mean right ค่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพวกเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารไม่มีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิใช่ไหมปรใช่สกหากพวกเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มารไม่มีน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าพวกเทวดาผู้นับเนื่องในหมู่มานำน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิเข้าไปให้แก่พระอรหันต์ได้ สกพวกเทวดาผู้นับหนึ่งในหมู่มารนำน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิเข้าไปให้แก่พระอรหันต์ได้ใช่ไหมปรใช่สกพวกเทวดาผู้นับหนึ่งในหมู่มารนำน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิเข้าไปให้แก่ตนให้แก่คนเหล่าอื่นแก่บุคคลนั้นได้ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพวกเทวดาผู้นับหนึ่งในหมู่มาร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 และการปล่อยน้ำอสุจิเข้าไปให้แข่พระอรหันต์ได้สกพวกเทวดาผู้นับหนึ่งในหมู่มาร น, นำน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิเข้าไปให้แข่พระอรหันต์ได้ใช่ไหมบรอใช่สก น, นำเข้าไปทางขุมขนใช่ไหมบรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามร้อยแปดสกพวกเทวดาผู้นับหนึ่งในหมู่มาร นำน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิเข้าไปให้แก่พระอรหันต์ได้ใช่ไหมปอรอใช่สอกอเพราะเหตุใรปอรอเพราะจะทําให้ท่านสงสัยสอกอความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สอกอความสงสัยในพระาศาสดา ในพระธรรมในพระสงฆ์ในศึกษาในส่วนเบื้องต้นในส่วนเบื้องปลายในส่วนเบื้องต้นและเบื้องปลายความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าเพราะธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความสงสัยในพระศาสดาในพระธรรมในพระสงฆ์ในศึกษาในส่วนเบื้องต้นในส่วนเบื้องปลาย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 สกความสงสัยของปุถุชนมีอยู่และความสงสัยในพระศาสดาความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าพระธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของปุถุชนนั้นก็มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่และความสงสัยในพระศาสดาความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าพระธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมี ของพระอรหันต์นั้นก็มีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกความสงสัยของพระอรหันต์มีอยู่แต่ความสงสัยในพระาศาสดาความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าพระธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรใช่สกความสงสัยของปุถุชนมีอยู่แต่ความสงสัยในพระาศาสดา ความสงสัยในปฏิจจสมุปบาทที่ว่าพระธรรมนี้เป็นปัจจัยธรรมนี้จึงมีของปุถุชนนั้นไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอน้ําอสุจิและการปล่อยน้ําอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สอกอน้ําอสุจิและการปล่อยน้ําอสุจิของพระอรหันต์เป็นผลของอะไรปรเป็นผลของการฉันการดื่ม การเคี <necessary. S 2> okay. <so> oh <Bringing> ้ยวและการลิ้มสกน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์เป็นผลของการฉันการดื่มการเคี้ยวและการลิ้มใช่ไหมปรใช่สกชนเหล่าใดเหล่าหนึ่งยังกินดื่มเคี้ยวลิ้มอยู่น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของชนเหล่านั้นทั้งหมดมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ชนเราได้เ่าหนึ่งยังกินดื่มเคี้ยวลิ้นอยู่น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของชนเหล่านั้นทั้งหมดมีอยู่ใช่ไหมปอรรใช่สอกอพวกทารกยังกินดื่มเคี้ยวลิ้นอยู่น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพวกทารกมีอยู่ใช่ไหมปอรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอพวกบรรดะยังกินดื่มเคี้ยวลิ้มอยู่ น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพวกบรรดามีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกพวกเทวดายังกินดื่มเคี้ยวลิ้มอยู่น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพวกเทวดามีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามรอยเกาสกน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์เป็นผลของการฉันการดื่มการเคี้ยว และการลิ้นใช่ไหมปอรอใช่สกทุงน้ำอสุจินั้นมีอยู่ใช่ไหมปอรอไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอุจจาระปัสสาวะของพระอรหันต์เป็นผลของการฉันการดื่มและการเคี้ยวลาไส้ใหญ่และกระเพาะปัสสาวะซึ่งเป็นที่ตั้งของอุจจาระปัสสาวะนั้นมีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สก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 อุจระและปัสสาวะของพระอรหันต์เป็นผลของการฉันการดื่มการเคี้ยวและการลิ้มแต่ลำไส้ใหญ่และกระเพาะปัสสาวะของอุจระปัสสาวะนั้นไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสามรอ ส, สอกอน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์จะพึงเสดเมถุนธรรม จะพึงให้เมถุนทําเกิดจะพึงอยู่ครอบครองที่นอนซึ่งยัดเยียดด้วยบุตรจะพึงใช้สอยผ้ากาเสกพัดและจุนจันจะพึงทัสสงดอกไม้ของหอมและเครื่องลูบไล้จะพึงยินดีทองและเงนินใช่ไหมปอรรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสอกอน้ําอสุจิและการปล่อยน้ําอสุจิของปุตุชนมีอยู่และปุตุชนจะพึงเศษเมถุนธรรมจะพึงให้เมถุนทําเกิด จะพึงย <R>. right. so, ินด <lerde> ีทองแลงเงินใช่ไหมปรใช่สกน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่พระอรหันต์จะพึงเสดเมถุนธรรมจะพึงให้เมถุนธรรมเกิดจะพึงยินดีทองแลงเงินใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่และพระอรหันต์จะไม่พึงเสดเมถุนธรรม จะไม่พึงให้เมถุนธรรมเกิดจะไม่พึงยินดีทองและเงินใช่ไหมปอรอใช่สกน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของปุุชนมีอยู่และปุุชนจะไม่พึงเจ็บเมถุนธรรมจะไม่พึงให้เมถุนธรรมเกิดจะไม่พึงอยู่ครอบครองที่นอนซึ่งยัดเยียดด้วยบุตรจะไม่พึงใช้สอยผ้ากาศกพัดและจุนจันจะไม่พึงทา่งดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล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 โมหะพระอรหันต์ละได้แล้วมานะพระอรหันต์ละได้แล้วทิฏฐิพระอรหันต์ละได้แล้ววิจิกิจฉาพระอรหันต์ละได้แล้วถีนะพระอรหันต์ละได้แล้วอุทัจจะพระอรหันต์ละได้แล้วอหิริกะพระอรหันต์ละได้แล้วอโนตปะพระอรหันต์ละได้แล้วตัดรากถอนโคนเหมือนต้นตาลที่ถูกตัดรากถอนโคนไปแล้วเหลือแต่พื้นที่ทําให้ไม่มี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 ปรใช่สกพระอรหันต์เจริญสติปัฏฐานสัมมาปัฏฐานอิทิบาทอินทสีภละโภ ช, ช, ช, ชงเพื่อละราคะไม่ใช่หรือปรใช่สกหากพระอรหันต์เจริญโอชงเพื่อละราคะท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่สก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 น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สกพระอรหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำขีดที่ควรทำเสร็จแล้วลงภาระแล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วหมดสิ่งกิเลสเป็นเครื่องผูกสั์ไว้ในภพแล้วหลุดพ้นเพราะรู้ชอบแล้วถอดลิ่มสลักกลบครูถอนเสารเนียดได้แล้วไม่มีบานประตู เป็นพระอริยะปลดทงคือมานะวางภาระคือขันหมดเครื่องผูกพันชนะอย่างวิเศษแล้วกําหนดรู้ทุก์ละสมุทยัยทําให้แจ้งนิโรธจเจริญมรกแล้วรู้ยิ่งทำที่ควรรู้ยิง่งกําหนดรู้ทำที่ควรกําหนดรู้และทำที่ควรล ะ, จะเจริญทำที่ควรจเจริญทําให้แจ้งทำที่ควรทําให้แจ้งแล้วไม่ใช่หรือปอรอใช่สก พระอาหารหันต์เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะทำที่ควรทำเสร็จแล้วทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งท่านก็ไม่ควรยอมรับว่าน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอาหารหันต์มีอยู่สามอยสิบอสกน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอาหารหันต์มีอยู่ใช่ไหมปร น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนมีอยู่น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นไม่มีสกน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนมีอยู่ใช่ไหมบรใช่สกน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นมีอยู่ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกน้ำอสุจิและการปล่อยน thousands thousands อ้ำอสุจิของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นไม่มีใช่ไหมปรใช่สกน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกราคะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้ว แต่น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปรใช่สกราคาพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นละได้แล้วแต่น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสกโทสะโมหะอโนตปะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้ว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 เป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะแล้วทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งแล้วน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอ0 0สุจิของพระอรหันต์นั้นมีอยู่ใช่ไหมปอรอใช่สกรพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นเป็นผู้ปราศจากราคะโทสะโมหะแล้วทำให้แจ้งทำที่ควรทำให้แจ้งแล้วแต่น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นยังมีอยู่ใช่ไหม ปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก ร, Lean, ราคะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมอื่นละได้แล้วน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรใช่สกราคะพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนละได้แล้วน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นส ก, สก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 เจริญโพชงเพื่อละราคะเพื่อละโทสะเพื่อละโมหะเพื่อละอนโตตปะ pa, น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรใช่สกพระอรหันต์ผู้ฉลาดในธรรมของตนเจริญโพชงเพื่อละอนโตตปะน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสก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 น้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์นั้นไม่มีใช่ไหมปรไม่ควรกล่าวอย่างนั้นสา3ร้อาสกน้ำอสุจิและการปล่อยน้ำอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมป ร, รใช่สกพระสูตรที่พระผู้มีพระภาคตรัสไว้ว่าภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เป็นปุถุชนถึงพร้อมด้วยศีลมีสติสัมปชัญญะจำวัด น้ำอสุจิของภิกษุเหล่านั้นย่อมไม่ไหลออกมาน้ำอสุจิแม้ของพวกฤาษีนอกศาสนาผู้ปราศจากความกำหนัดเนกามย่อมไม่ไหลออกมาภิกษุทั้งหลายย่อมไม่มีทางเป็นไปได้ไม่ใช่โอกาสที่น้ำอสุจิของพระอรหันต์จะพึงไหลออกมามีอยู่จริงนี่ใช่หรือบรอใช่สกด้วยเหตุนั้นท่านจึงไม่ควรยอมรับว่า น้ำอสุจิและการปล่อยน้าอสุจิของพระอรหันต์มีอยู่ปรท่านไม่ยอมรับว่าการที่บุคคลอื่นนําปัจจัยเข้าไปให้แก่พระอรหันต์มีอยู่ใช่ไหมสกใช่ปรบุคคลเหล่าอื่นจะพึงนําจีวรบินทบาตเสนาสนะและคีฬานปัจจัยเพศบริการเข้าไปให้แก่พระอรหันต์ได้ไม่ใช่หรือสอกอใช่ปร หาบุคคลเหล่าอื่นจะพึงนำจีวรบินทบาทเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพศบริขารเข้าไปให้แก่พระอรหันต์ได้ดังนั้นท่านจึงควรยอมรับว่าการที่บุคคลอื่นนำปัจจัยเข้าไปให้แก่พระอรหันต์ก็มีได้สกบุคคลเหล่าอื่นจะพึงนำจีวรบินทบา yes win, Belgium, ทเสนาสนะและคิลานปัจจัยเพศบริขารเข้าไปให้แก่พระอรหันต์ได้เพราะเหตุนั้น การที่บุคคลอื่นนำปัจจัยเข้าไปให้แก่พระอรหันต์จึงมีได้ใช่ไหมป ร, รใช่สกบุคคลเหล่าอื่นจะพึงนำโสดาปติพนสกทาคามิผลอนาคามิผลหรืออรหัตผลก็ไปให้แก่พระอรหันต์ได้ใช่ไหมป ร, รไม่ควรกล่าวอย่างนั้นปรูปหาระปทาจบ